ค่ะคุณผู้ชมคะและขอต้อนรับเข้าสู่บรรยากาศยามเช้าวันอังคารวันนี้กับรายการน่ารู้น่าดูน่าอยู่น่ากินประจําเช้าวันนี้นะคะวันนี้เป็นวันอังคารแรกของเดือนพฤษภาคมค่ะเดือนนี้มีวันสําคัญทางพระพุทธศาสนาของเราด้วยนะคะนั่นก็คือวันวิสาขะบูชาซึ่งเป็นวันที่พระพุทธองค์นั้นท่านทรงประเสริฐปัสรูุ้และประริภิภานด้วยและในวันที่19พฤษภาคมที่จะถึงนี้ก็อย่าลืมน้อมจิตน้อมใจระลึกนึกถึงพระพุทธคุณพระธรรมคุณและพระสังฆคุณกันนะคะและเนื่องจากว่าใกล้วัน สำคัญทางพระพุทธศาสนากันแล้ววันนี้ในช่วงแรกของรายการก็เลยอยากจะนำเรื่องราวของพระริยสงอีกรูปสำคัญของเมืองไทยเรานั่นก็คือพระราชพรมยานเทระหรือว่าหลวงพ่อฤาษีลิงดาแห่งวัดท่าสุงที่จังหวัดอุทยัยธานีนั่นเองนะคะคุณผู้ชมที่สนใจได้ชมกันแน่ในช่วง แ, แรกของรายการในวันนี้ค่ะ วนนี้ทางรายการมีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่จะได้นําเสนอประวัติของพระอริยสง์ปฏิสัมพิทยานที่มีคุณูปการแก่ประเทศชาติและพระพุทธศาสนาอย่างยากที่จะมีบุนคคลใดเสมอเมือนอีกแล้วทั้งในด้านของการสร้างชาติสร้างความเป็นไทยการทะนุบารุงพระพุทธศาสนาจนไปที่ยอมรับกันในหมู่พระอริยเจ้าทั้งหลายว่าท่านเป็นมหาโพธิสัตว์ที่มาโปรดชาวไทยและพุทธศาสนิกชนโดยแท้จริง นั่นคือพระราชพรมยานแห่งวัดจันทารามหรือวัดท่าสุงตำบลน้ำซึมอำเภอเมืองจังหวัดอุทัยธ า, ยานีซึ่งประวัติของท่านมีดังต่อไปนี้ พระเพรมยานเทระเกิดเมื่อวันพฤหัสบดีที่28มิถุนายนคศ2460เดิมชื่อสังเวียนเป็นบุตรคนที่3ของนายกวงและนางสนิทุนสังสวรรณเกิดที่ตำบลสาลีอำเภอบางปลามา้าจังหวัดสุพรรณบุรีมีพี่น้อง5คนขณะที่ท่านแม่ตั้งครรภ์จะเข้าท้องแม่แม่นอนฝันเห็นพรมมีสีเหลืองเป็นทองคาเหมือนพระพุทธรูปนอนลอยมาในอากาศมีเพชรประดับแควคลาวไปทั้งตัว เข้าทางหน้าจั่วทิศเหนือเข้ามานั่งทางหน้าปักท่านแม่ท่านก็กอดไว้แล้วก็หายเข้าไปในกายเมื่อเกิดมาใหม่ลุงของท่านหรือหลวงปู่เล็กเกศโรที่ได้ฌานสมาบัติท่านบอกว่าเด็กคนนี้มาจากพรหมดังนั้นจึงให้ชื่อว่าพรหมแต่ท่านยายชอบเรียกเล็กส่วนท่านแม่เรียกพ่อกลาง เมื่ออายุหขวบเข้าเรียนหนังสือที่โรงเรียนประชาบาลวัดบางลงโคอําเภอศรีนาจังหวัดพระนครศรีอยุธยาจนจบชั้นประถมศึกษาปีที่สเมื่ออายุได้15ปีเข้ามาอยู่กับท่านยายที่บ้านหน้าวัดเรไรอําเภอตะลิงชันจังหวัดคนบุรีในสมัยนั้นและได้ศึกษาวิชาแพทย์แผนโบราณอายุ19ปีเข้าเป็นเพศัชกรทหารเรือสังกัดกรมการแพทย์ทหารเรือ เมื่ออายุครบบวชท่านได้อุปสมบทเมื่อวันที่16กรกฎาคมพุทธ ศ, ศักราช2480เวลา13บนาฬิกาณวัดบางนมโคโดยมีพระครูรัตนาพิรมเป็นพระอุปชาพระครูวิหารกิจานุการเป็นพระกรรมวาจาจารย์พระอาจารย์เล็กเกษรโรเป็นพระอนุสาวนาจารย์อายุ21ปีสอบได้นักธรรมตรี อายุ22ปีสอบได้นักธรรมโธอายุ23ปีสอบได้นักธรรมเอกระหว่างปีพุทธศักราช2480ถึง2481ได้ศึกษาพระกรรมฐานจากครูบาอาจารย์หลายท่านอาทิหลวงพ่อปานโสนันโธวัดบางลำโคหลวงพ่อจงพุทธสโ ร, รวัดหน้าต่างนอกพระอาจารย์เล็กเกษ ร, รวัดบางลำโครพระครูรัตนาพิโร์วัดบ้านแทน พระครูอุดมสมาจารย์วัดน้ำเต้าหลวงพ่อศุลวัดบางปลาหมอหลวงพ่อเนียมวัดน้อยหลวงพ่อโหน่วัดอัมพวันหรือวัดคลองมะดังและหลวงพ่อเรื่องวัดใหม่พิงสุวรรณซึ่งพระอาจารย์แต่ละรูปของท่านก็ล้วนแล้วแต่เป็นพระอริยเจ้าทั้งนั้นพุทธศักราช2481ท่านได้เข้ามาจำพรรษาที่วัดช่างเหล็กอำเภอตลิ่งชันจังหวัดทนบุรีเพื่อเรียนบาลี ต่อมาสอบได้ป ร, ริญญาธรรมสามประโยคได้ย้ายมาอยู่ที่วัดอนงคารามหลังจากนั้นได้เป็นรองเจ้าคณะสี่วัดประยูนวงศาวาชเป็นเจ้าอาวาสวั ด, วดบางนมโคและย้ายไปอยู่อีกหลายวัดพุทธศักราช2511จึงมาอยู่ที่วัดข่าสุงบูรณะซ่อมสร้างและขยายวัดข่าสุงจากเดิมมีพื้นที่6ไร่เศษจนกระทั่งเป็นวัดที่มีบริเวณพื้นที่ประมาณ279ไร่ รุสศกราศ 2,527 ได้รับพระราชทานสมณศักดิ์เป็นพระราชาคณะชั้นสามัญที่พระสุธรรมยานธีระพุสศกราช 2,532 ได้รับพระราชทานเลื่อนสมณศักดิ์เป็นพระราชาคณะชั้นราชที่พระราชกรมยานไพศาลภาวนานุสิทธิ์มหาคณิศสรประวรสังขารามธารมวาสีตลอดระยะเวลาที่อุปสมบทอยู่ หลวงพอพระราชพรมยานได้ทำหน้าที่ของพระสงค์ในพระพุทธศาสนาอย่างสมบูรณ์กล่าวคือทางด้านชาติได้สร้างโรงพยาบาลสร้างโรงเรียนจัดตั้งธนาคารข้าวออกเยี่ยมเยียนทหารหารของชาติและตำรวจตระเวนชายแดนตามหน่วยต่างๆเพื่อปลุกปลอบขันและกำลังใจและแจกอาหารยาอุปกรณ์อานวยความสะดวกและวัตถุมงคลทั่วประเทศทางด้านพระศาสนา ได้สั่งสอนพุทธบริษัทสิยานุสิตห้มุงพระนิพานเป็นหลักโดยให้ประพฤติปฏิบัติกายวาจาใจในทานในศีลและในกรรมฐานสิทธัศถ์และมหาสติปัฐานสูตรโดยเฉพาะอย่างยิ่งการฝึกมโนมยิทิอันเป็นหนึ่งในหลักสูตรของพระพุทธศาสนาที่สามารถทำให้ผู้เข้ารับการฝึกสามารถที่จะศึกษาและพิสูจน์เรื่องนรกสวรรค์ก่อนเกิดมาจากไหน เมื่อตายความดีขนาดนี้จะไปไหนทราบว่าผู้ตายนั้นอยู่ที่ไหนจะได้หมดสงสัยเรื่องนรกสวรรค์ไปพบไปเห็นเองได้โดยเฉพาะเรื่องนิพพานกรรมาฐานที่ท่านได้อบรมเผยแพร่ให้ลูกหลานและพุทธบริษัทได้เข้าถึงและเพื่อความพ้นทุกข์โดยแท้จริง เป็นการฝึกที่ไม่ยากเพียงแต่ศีลห้าต้องบริสุทธิ์เชื่อในพระพุทธเจ้ามนโนมยิทธิแปลว่ามีริษทางใจแต่เมื่อใครฝึกได้แล้วต้องรักษาความดีนี้เอาไว้ให้มั่นคงถ้าปล่อยให้เสื่อมไปถือเป็นการปรามาสพระพุทธเจ้าเพราะว่าความรู้นี้เป็นของพระพุทธเจ้าซึ่งเด็กๆนักเรียนถ้าได้ฝึกจะมีผลดีต่อการศึกษาเป็นอย่างยิ่ง มีความสงสัยในเรื่องใดสามารถรู้ได้ด้วยตนเองและประโยชน์อีกมากมายนับเป็นอเนกอนันต์พระเดชพระคุณพระราชพรมยานย์เทเรท่านเป็นพระอริยสงฆ์ที่มีความเคารพและยึดมั่นต่อพระธรรมวินัยเป็นอย่างยิ่งสิ่งไหนที่องค์พระจอมไตรท่านสั่งท่านไม่ขัดพระพุทธดำรัสโดยเด็ดขาดตลอดชีวิตในสมณเพศของท่านท่านได้สงเคราะห์ลูกหลานพุทธบริษัททหารทุกหมู่เหล่าด้วยความเมตตา ม, มาโดยตลอดหาที่สุดไม่ได้ แม้ร่างกายของท่านจะเจ็บป่วยขนาดไหนท่านก็ต้องออกมาสงเคราะห์หากลูกหลานจะได้รับผลแห่งการอบรมสั่งสอนแม้เพียงคนเดียวท่านก็ไม่เคยบ่นหากเป็นผลแห่งความดีที่ลูกๆจะได้รับท่านได้สั่งสอนให้ลูกศิษย์และพุทธบริษัทในประเทศไทยและต่างประเทศเป็นจำนวนมากได้เข้าถึงไตรสรนาคมและพระนิพพาน นับได้ว่าเป็นคุณูปาการแก่ชาวพุทธเป็นอย่างยิ่งสมกับการตั้งสัจจาที่ฐานเมื่อครั้งลาพุทธภูมิที่ต้นตะเคียนคู่นวัดโภพภวนารามจังหวัดชัยนาธว่าขอบา ร, รมีที่ข้าพเจ้าได้บำเพ็ญมาแล้ว16อสงไขยกับแสนกับทั้งนี้ก็เพื่อปรารถนาที่จะรื้อสัตว์ขนสัตว์ให้เข้าถึงพระนิพพาน และเจตนาใดที่ข้าพเจ้าได้ตั้งละโมปานิพานเพื่อพระโพธิยานข้าพเจ้าขอลาพระโพธิยานตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปเพื่อปรารถนาที่จะได้อรหันตผลและเป็นกำลังให้องค์พระทศพนสืบอายุพระพุทธศาสนาให้ครบห้าพันปีนับตั้งแต่เวลานี้เป็นต้นไปนั่นคือการตั้งสัจจาทิฏฐานของท่านในการอบรมสั่งสอนพุทธบริษัทท่านจะเน้นอยู่ที่พระนิพานเป็นหลัก หากทุกคนมีความตั้งใจจริงและเอาจริงมีอิที่บาทซีมันก็เป็นเรื่องที่ทำได้ไม่ยากท่านเป็นพระแท้ที่ทรงความเมตตาเป็นผู้รู้จริงพระเดชพระคุณหลวงพ่อพระยาณสิท ธ, ธาจารย์หรือหลวงปู่สินพุทธาจารโรแห่งวัดถ้ำผาป่องจังหวัดเชียงใหม่ สิทธิ์องค์สำคัญของหลวงปู่มัน่นเคยกล่าวเอาไว้ว่าหลวงพ่อพระมหาวีระซึ่งเป็นสมณะศักดิ์ในสมัยนั้นท่านแจ้งทั้งทางโลกแจ้งทั้งคำคือเรื่องที่อยากรู้นั้นนึกจะรู้อะไรแล้วก็รู้ไปหมดความรู้มันเกิดขึ้นมาเองแม้ไม่ได้เรียนไม่ว่าเรื่องจั ก, กรวาลหรือธรรมะขึ้นชื่อว่าพระหรือคนก็ตาม ไม่ต้องเห็นหน้าแค่รู้ชื่อก็ทราบว่าเป็นอย่างไรอันเป็นผลเนื่องมาจากการปฏิบัติแห่งการจบกิจของพระพุทธศาสนาพระราชพรมยานเทระท่านได้แต่งหนังสือคำสอนกว่า15เรื่องและบันทึกเทปคำสอนกว่า 1,000 พเรื่องนอกจากนี้ยังได้แสดงธรรมเทศนาทางสถานีวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์เป็นครั้งคราว นอกจากนี้ยังเดินทางไปสงเคราะห์คณะศิษย์ในต่างจังหวัดและในต่างประเทศทุกๆปีทางด้านวัตถุท่านได้ช่วยสร้างพระพุทธรูปและถาวรวัตถุไว้ในพระพุทธศาสนามากกว่า30วัดรวมทั้งการบูรณะฟื้นฟูวัดท่าสูงด้วยเงินกว่าหลายพันล้านบาทได้สร้างพระไตรปิฎกหนังสือมูลลกัดกายและถวายผ้าไตรแก่วัดต่างๆปีละไม่ต่ำกว่า200ไตราทางด้านพระมหากษัตริย์ ท่านได้สนองพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวโดยการจัดตั้งศูนย์สงเคราะห์ผู้ยากจนในทินธุรกันดารตามพระราชประสงค์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9ศูนย์นี้ได้ดําเนินการสงเคราะห์ราษฎรในทินธุรกันดารทั่วประเทศมาตั้งแต่ปีพุทธศักราช2520งานของศูนย์รวมทั้งการแจกเสื้อผ้าอาหารและยารักษาโรคแก่ราษฎรผู้ยากจนการช่วยเหลือผู้ประสบภัยทางธรรมชาติ การส่งหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ออกรักษาพยาบาลราษฎรผู้เจ็บป่วยการให้ทุนนักเรียนที่เรียนดีแต่ยากจนกา ร, รบริจาคทุนทรัพย์ให้แก่มูลนิธิและโรงพยาบาลต่างๆนับได้ว่าพระเดชพระคุณหลวงพ่อพระราชพรมยานเป็นปูชนีนยบุคคลเป็นพระอริยสงฆ์ผู้อยู่ด้วยความเมตตาความการุณาเป็นปกติครามสอนธรรมะและสิ่งที่เป็นประโยชน์และสงเคราะห์เกื้อกูลมหาชนด้วยความเมตตามหาศาล สมกับเป็นสากะยะบุตรพุทธชิโนรสแท้อีกองหนึ่งปัดทิ้มโอวาทของท่านในวันที่28ตุลาคม2535เมื่อพบกับลูกสิ์ครั้งสุดท้ายท่านได้สั่งสอนศิษย์ว่าลูกเอ๋ยนี่ก็เป็นธรรมดาของร่างกายมีเกิดมีแก่มีเจ็บมีตายเป็นธรรมดาสังขารมันเป็นอนิจจังไม่เที่ยงรอก ทุกขังตอนอยู่มันก็เป็นทุกข์แต่ผลที่สุขมันก็เป็นอนัตตาสลายไปยมีแค่นี้อย่ามายึดสังขารพ่อเลยต่อมาพระเดชพระคุณหลวงพ่อพระราชพรหมยานได้อาพาดด้วยโรคปอดบวมอย่างแรงและติดเชื้อในกระแสลโลหิตเข้ารักษาที่โรงพยาบาลสติราชและมรณภาพที่โรงพยาบาลสติราชเมื่อวันศุกร์ที่30ตุลาคมพุทธศักราช2535เวลา16นาฬิกา10นาที นับได้ว่าประเทศไทยได้สูญเสียพระเถระองค์สำคัญที่สุดองค์หนึ่งในพระพุทธศาสนาอย่างความโศกเศร้าแก่ชาวพุทธและวงการสงฆ์เป็นอย่างยิ่งก่อนที่พระเดชพระคุณพระราชพรมยานประดับขันสู่พระนิพพานนั้นท่านได้บอกกับศิษย์เอาไว้ว่า หากพ่อมรณาภาพไปแล้วไม่ต้องฉีดยา ก, กันสกเน่าหรือรีบเผาให้รอดูสาวันเจวันจะมีอะไรเกิดขึ้นก็เป็นเรื่องขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าท่านจะสงเคราะห์หลังจากที่ท่านมรณาภาพไปแล้วต่อมาได้บรรจุสรีระศพของท่านลงในลงแก้วปรากฏว่าได้เกิดมหัศจรรย์ดังที่ท่านเคยบอกเอาไวา้ปรากฏว่ามีพระธาตุองค์เล็กละเอียดเสด็จมาจากที่ใบหน้าเป็นจานวนมาก สร้างความบิติแก่พุทธบริษัทเป็นอย่างยิ่งปัจจุบันนี้ศพของท่านประดิษฐานไว้ในโรงแก้วไม่เน่าเปื่อยได้สิทญานุสิตได้มาสกการะอยู่ที่วิหารร้อเมตรและมีท่านพระครูประหลัดอา น, านันตภัทธยาโนเป็นเจ้าอาวาสสืบทอดปฏิปทาของท่านสืบมาสิทญานุสิตและพุทธบริษัทที่ทราบถึงคุณความดีของท่านก็เข้ามารับการฝึกอบรมมโนมยิทธิและทำบุญสังฆทานกันอย่างเนืองแน่นเหมือนเมื่อครั้งที่ท่านยังมีชีวิตอยู่ ทั้งที่ซอยพอหลโยธิน8ปดหรือซอยสายลมกรุงเทพและที่วัดสมดังที่พระเดชพระคุณท่านต้องการสงเคราะห์ลูกหลานให้ถึงซึ่งพระนิพพานในปัจจุบันแทนได้ทิ้งมรดกที่สำคัญให้ชาวพุทธได้ปฏิบัติและรักษาเพื่อความสุขให้เราได้หนีจากวัฏสงสารและพบกับแดนอันเกร็นั่นก็คือพระนิพพานนั่นเอง ก็ต้องถือได้ว่าพระราชพรมยานเถระหรือหลวงพ่อฤาษีดิงดําแห่งวัดท่าสูงที่จังหวัดอุทัยธานีนั้นท่านมีส่วนสําคัญอย่างยิ่งที่จะน้อมนําให้พุทธศาสนิกชนได้เข้าวัดปฏิบัติธรรมกันมากขึ้นนะคะโดยเฉพาะ ใ, ใครที่สนใจอยากจะไปปฏิบัติธรรมแล้วก็ร่วมพิสูจน์ศักดิ์ควมแห่งพุทธศาสนาก็เชิญได้ที่วัดท่าสูงที่อาเภอเมืองจังหวัดอุทัยธานีค่ะ